สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบันครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่หนึร้อยสามนะครับเกลือแห่งโลกพระเจ้นักของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมมัทธิวนะครับบทที่ห้าข้อที่สิบสามครับเป็นคำตัดของพระเยซูโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าท่านนั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือนั้นหมดรัคเค็มไปแล้วจะทําให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้อย่างนั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร มีแต่จะทิ้งเสียสำหรับคนเหยียบย่งพี่น้องครับวันนี้เราจะมาดูว่าเกลือนั้นทำไมพระเยซูถึงได้ยกว่าเราทั้งหลายจะต้องเป็นเกลือครับการเป็นเกลือนั้นแสดงถึงอิทธิพลนะครับอิทธิพลสำคัญที่เกลือจะต้องมีนะครับต่อโลกนี้ในลักษณะชีวิต ทั้งแปดประการซึ่งนํามาถึงพรทั้งแปดประการเปเยซูก็ทรงสอนต่อไปว่าเราจะต้องให้ชีวิตนะครับที่เป็นพรแปดประการนี้มีอิทธิพลต่อโลกครับในทํานองเดียวกันกับที่เกลือมีอิทธิพลต่อสิ่งต่างที่มีโลกพี่น้องครับท่านทราบไหมครับว่าเกลือนั้นเป็นผลิตผลที่สําคัญมากมีมูลค่าสูงครับในสมัยปัจจุบันนั้นเราก็เห็นว่าเกลือนั้น เป็นสิ่งที่เราใช้เพื่อที่จะรักษาให้สิ่งนั้นดำรงอยู่ได้เช่นเราต้องการจะสงวนอาหารนะครับถนอมอาหารเราก็ต้องใช้เกลือสมัยก่อนนั่งไม่มีตู้เย็นครับเขาต้องใช้เกลือในการเก็บรักษาอาหารเพื่อไม่ให้อาหารเสียพี่น้องครับนอกจากนั้นเกลือยังมีประโยชน์ในการรักษาโรคด้วยนะครับสมมติว่าถ้าเราไอเพราะเป็นหวัดนะครับ ก็เอาน้ำเปามาหนึ่งถ้วยแล้วก็หยョกเกลือใบหนึ่งช้อนชานะครับใช้บ้วนปากตั้วคอหลายๆครั้งก็จะทําให้ไม่เจ็บคอหรือลดอาการเจ็บคอได้นะครับถ้าบังเอิญเรากินสารพิษตกไปหรืออึดออาหารไม่ย่อยนะครับอยากจะอาเจียนต้องดื่มน้ําเกลือเข้มข้นเลยนะครับนะฮะสักประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับผสมน้ำหนึ่งแก้วก็จะทําให้เราอาเจียนออกมาได้นะครับหรือว่าแม้กระทัง่งเราคัดจมูกเป็นไซนัสนะครับ เราก็เอาน้ําเกลือเกลือจางนะครับสักครึ่งช้อนชาผสมน้ำหนึ่งแก้วนะครับก็ใช้ใช้ลิง้์นะครับแล้วก็ค่อยค่อยล้างจมูกนะครับในโพรงจมูกเราก็จะหายซื้ดรัดนะครับหายคับจมูกครับเพราะว่าน้ําเกลือนั้นก็จะไปล้างเอาเสมหะที่คข้นๆจากจมูกออกมานะครับก็หมอที่รักษาไทรนะัชก็จะใช้น้ําเกลือที่จะให้คนไช้ล้างจมูกครับใครที่เป็น แผลยุงกัดบ่อยๆนะครับเราไม่ต้องไปเชื่ออะไรมาทาครับเราเอาแค่น้ําเกลือนะครับทาที่รอยแผลความคันก็จะหายไปนะครับอันนี้คือคุณสมบัติของเกลือพี่น้องครับนอกจากนี้นะครับเกลือยังมีคุณสมบัติต่างๆมากมายครับที่เป็นสิ่งที่มีค่ามากทีเดียวทาโรมันในสมัยก่อนนะครับได้รับเกลือเป็นเงินเดือนครับแล้วก็เราคงจะเคยเห็นนะครับว่าการคุดหาเกลือ ตามหน้าผาต่างๆในในปาเิสไตน์หรือแม้กระทั่งในทะเลทรายครับเกลือของทะเลทรายก็มีคุณส่ามหาศาลพี่น้องครับพระเยซูกำลังเปรียบเทียบชีวิตของพระเยซูนะครับวาสาวกของพระองค์ที่ติดตามชีวิตของพระองค์นั้นจะต้องเป็นเกลือเหมือนกับที่พระองค์เป็นเกลือคีวิตของเขาจะต้องมีอิทธิพลต่อคนอื่นเหมือนกับที่พระเยซูทรงมีอิทธิพลต่อคนอื่นเมื่อเขาแบ่งปันความเชื่อของเขาแก่คนอื่นนะครับก็จะทําให้คนเหล่านั้นถูกหล่อล้อมและ รับการชำระจากความผิดบาปได้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับในชีวิตของเขาคนคนนั้นก็จะสามารถมีที่พ้นต่อโลกต่อไปได้พี่นะครับมาร์โกบันทึกอย่างนี้นะครับว่าท่านหลายจงมีเกลือในตัวและจงอยู่สงบสุขพี่นะครับท่านจาไหมครับว่าในการทําไอศครีม น, นั้นถ้าหากว่าจะลดอุณหภูมินะครับเขาจะต้องเอาน้ําแข็งผสมอะไรครับผสมเกลือครับทํานองเดียวกันครับถ้าหากว่าเราจะเพิ่มจุดเดือดของน้ํานะครับก็อเอา เกลือใส่เป็นน mm. ้ำนะครับก็จะเพิ่มจุดเดือดของน้ำไข่ก็ตามที่อยากจะใช้เวลาในการที่จะต้มไข่ให้น้อยลงนะครับก้าเกลือหยดเข้าไปในน้ำนะครับและรอให้น้ำมันเดือดนะครับก็จะใช้เวลาต้มไข่น้อยลงเราจะเห็นว่าเมื่อเกลืออยู่ที่ไหนนะครับก็จะไปเสริมคุณสมบัตินะครับอยู่ในน้ำร้อนก็จะเสริมคุณสมบัติของน้ำร้อนอยู่ในน้ำเย็นก็จะเหลืออยู่ในน้ำแข็งก็จะเสริมคุณสมบัติของน้ำแข็งทีนึงครับคนที่เป็นเกลือนั้น ก็จะอยู่ ใ, ใกล้ไทยนะครับก็จะเสริมสร้างเขานะครับเก็บรักษาเขาสงวนเขาไว้อยู่ใกล้ๆน้ําเดือดเขาก็าจะช่วยลดอุณหภูมินะครับอยู่ใกล้ๆน้ําแข็งก็จะไปลดอุณหภูมิของน้ําแข็งให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเช็คเกลือให้เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันครับเมื่อโลกเห็นเราเป็นเกลือนะครับเราจะต้องปาวนาตัวเพื่อที่ให้มีประโยชน์ต่อโลกพี่น้องครับเพราะวะะจนะของพระเจ้าก่อนนี้เปซูกํากลังสอนเรานะครับว่า คริสเตียนนั้นก็เปรียบเสมือนกับเป็นกระปุกเกลือขนาดใหญ่ครับไม่ว่าเขาไปที่ไหนก็จะให้การสนใจเสริมสร้างนะครับไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนเขาก็แสดงความเมตตากรุณานะครับรักษาสันติยอมรับการกล่มเพ่งยอมรับการเยาะเย้ยนะครับมีความอดทนนะครับการที่เขาเพิ่มกลือในชีวิตของคนอื่นนั้นความสัมพันธ์ของเขากับชีวิตของพวกเขาก็จะถูกเปลี่ยนแปลงเพราะอิทธิพลของคริสเตียนเองนะครับพี่น้องครับการที่เราเป็นเกลือเราก็จะทําให้ คิดของคนอื่นๆนั้นเปลีป่ยนแปลงไปด้วยนะครับการเป็นเกลือนั้นเป็นการที่ทําให้คิดของคนอื่นไม่เน่าไม่เสียนะครับท่านครับแต่ว่ามีอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นสิ่งที่ อ, อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือเกลือนั้นหมดรสเค็มเกลืออาจจะหมดประโยชน์ก็ได้ครับและเกลือหมดประโยชน์พ่อเลยครับเพราะว่าเกลือนั้นสกปรกครับนะครับเกลือที่ถูกหมักไว้นานนะครับโดยไม่ได้มีการเติม เกลือมากขึ้นมากขึ้นหรือว่าเติมเติมเกลือเข้ามาเรื่อยๆนะครับเกนั้นก็จะบมดรถเค็มนะครับเกลือนั้นก็จะตกตะกบแล้วก็ทิ้งไว้ให้คนเหยียบจําเพื่อที่หมดประโยชน์นะครับในการรักษาสิ่งของก็ถูกทิ้งไปครับเตาอบส่วนใหญ่จะอยู่นอกบ้านนะครับและต้องป่อหินตรงฐานของเตาด้วยกระเบื้องการที่จะรักษาความร้อนต้องโรยเกลือบนเตาครับนะครับหลังจากนั้นเป็นเวลาแล้วงานพอสมควรเกลือก็จะหมดประโยชน์และเขาก็จะโยนเกลือทิ้งลงไปบนถนน เมื่อัติสเตียนยอมให้ความผิดความบาปความสศกโศกเข้ามาทำลายชีวิตของตนเองนะครับความเป็นประโยชน์ของเราก็เสียไปเราก็ไม่สามารถให้พระเจ้าใช้ต่อไปได้พี่น้องครับความเกลียดชังฝ่ายวิ ญ, ญญาณก็เหมือนกันนะครับถ้ า, าว่าเราเป็นผู้ที่พระเจ้าได้มอบหมายงานให้กับเรานะครับเราก็ไม่ได้ใช้ของประทานนะครับเราก็ไม่ได้ใช้ให้สิ่งต่างที่เรามีนั้นเป็นอิทธิพลต่อนคนอื่นนะครับ ก็เหมือนกับเราเอาตะหลันนั้นไปฝังดินนะครับพระเยซูก็ไม่ถอดถ่ายครับพี่น้องครับสิ่งที่วันนี้เป็นคําสอนของพวกเราทั้งหลายก็คือว่าอย่าให้เราหมดรสเข็นนะครับพี่น้องครับเราจะต้องเติมความเข็นของเราครับนะฮะเติมความเข็นของของเราเรื่อยๆเรื่อยๆ ๆ, ๆ, ๆนะครับโดยรับคําลังที่มาจากพระเจ้ารับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระเจ้าเมื่อเราทั้งหลายยิ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์ขึ้นนะครับ มีชีวิตที่เป็นประโยชน์มากขึ้นพระเจ้าจะเพิ่มเติมของทานพระเจ้าจะเพิ่มเติมความสามารถศักยภาพทั้งหลายนะครับเราก็จะเป็นเกลือที่มีผลต่อคนอื่นมากยิ่งขึ้นนะครับชีวิตของเราจะเป็นพระพรนะครับนําการบำบัดรักษามาให้นําสิ่งดีๆมาให้กับสังคมนําสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับให้กับคนอื่นๆอีกมากมายนะครับให้ชีวิตของเรานั้นเป็นเกลือครับนะครับให้ชีวิตของเราเป็นเกลือนะครับเราจะต้องไม่ หมดลดเข็มและอยากต่อยทีธีของเราหมดลดเข็มไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่รองสรับทุกท่านอาวน